ธรรมชีวิตธรรมแปูเจนีธรรมังชีวิตธรรมแปูเจนีสังขังชีวิตธรรมแม่ปูเจนีพุทธังวันธามิธรามังวันธามิสังขังวันธามิ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 ขามังสารังคจามิสังขังสารังคจามิทูติยมติพุทธังสรังคจามิทูิยามติธรรมังสาังคจามิ ภูติยามติสำคัญสารังกจามีตาติยามติพุทังสารังกจามีตาติยามติธรรมังสารังกจามีตาติยามติสคัสารังกจามีตา ป่าตาเวรามา n i สิกขาป่ทางสัมมาทิยานิอเดนนาทานเวรามานิสิกขาป่ทางสัมมาทิยานิอัพรามา a าริยาเวรามานิสิกขาป่ทางสัมมาทิยานิ มสาวาธาเวระมณีศิขาปัตังสัมมาทิยานิสุราเมรยามาชั่อมาสสะทงนาเวระมณีศิขาปัตังสัมมาทิยานิอิมานีอันจะศิขาปตานิ ที่ญาณิอ ja ิมาณิอันจักติขาปะทานิสมาธิญาณิอิมาณิอันจักติขาปะทานิสีเรณสุขะสิงห์สีสีเรณปะสัมปทา ส i ไรนาเนพุติยานติทัตมะวิโสทะนะโมตัสสะปาคาวะโตอะหะสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปาคาวะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะตสังนะสังโฆัสสะทังอะระตะนะนั สัจโตกระมหากันจโยนาโมโคติสัจโตพรมหากันจฺยยวโทโสโมหิตเตนาคุตัสเมบาปปะโตมานากรมะติเมกาตังโตจังจัปปะอาสังจัณฑุ โยโธโสโมหิตเตนาธรรมะจันมิปะปะโตมายะกามิกาตังโทสังสัพพะปะตังที่นาสังสุโยโธสโมหิตเตนาสังฆะจันมิปะปะโต มายาคมาทมีกาตังโทสังสาภาภาปังไม่ฆาตสังโตนโมตัสสะภาคาวะโตอะโตตัมมาตัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาควะโตอรหโตัสสะ นาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธะนาโมพุทธายะพระพุทธท a ยรัตนะยัมมะนีโมภารัตสีสะหาสิตัมม พุทธธรรมโมสังโฆเยหาพุทโมนาพูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีธานันวางกันทังสีวารีสมาหาเถรงอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันธามิสาิโย ตัพปสุโขทัธรรมะสังฆูเจนินาโมพทยะระพุทธายะตัณาะมานีนรัตสีสะหาสุตัมมพูทโธธมโมสังโฆยะาพุทโมะ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังคันธ์ชีวารีจามหาเถรางอาหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิสัพสุโรบูชาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทายะพระพุทธไตยปณิยานมาณีนพรัตสีสาหาสัจธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุมนาพุทธาบูชาธรรมะมูชาสังฆาชาสีธาณวารังคันธัน สีวลีสัมมาเหราอาหัางวันทามิสุรโตอาหัางวันทามิอาติโยอาหัางวันทามิตัปโสุ พ, พูธาธรรมะสังฆาภูเธนินาโมภูตาญาญาภูตาไตรัตนะญามโาโมภะร สีสาหาสาสัมมาผูโทธรรมโมสังโฆยะธาพู้โม น, มนะผูทาผู้าธรรมะผู้าสังฆะผู้ทาชีธานังวะรังตังชีวาริจามาหาเถระอาหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิอาติโย อาหันทานิปปัสสุปุถะธรรมะสังฆูเชนินาโมปุถะยะลาปุถะไตรตนะยานาหิโนภะระสีสะหาสุสัมมาปุตโตธรรมโมสังโฆยะถาปูมโตน กูชากูชาธรรมะกูชาสังฆากูชาสีทางวารังคันธังสีวลีจามาหาเสระอาหังวันทานีสุรโตอาหังวันทานีตาติโยอาหังวันทานิสัพพโสกูชามะสังฆากูเทนิ นาโมพุทธายะลาพุทธาไทลาภณายามมาหิมปะรัสีสาหาสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุตโมนะพุทธามุตตาธรรมะมุตาสังฆามตาสีธาณังวะรังปันธัม สีวะริจาราหาเถรอาหัางวันทามิสุรสัโตอาหัางวันทามิทาติโยอาหัางวันทามิสัพสุโตพุทธะธรรมะสังฆาปุเนินะโมพุทธ า, ท า, า, ธายะพระพุทธาทยะยายมีโนารั สีสะหาสะตุสัมมาวู้โทธรรมโมสังโฆยะถาผู้โมนะบูทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีธาณังวะรังตังสีวารีกนหาเถระอาหังวันทาณีสุรโกอาหังวันทาณีทาติโย อาหันทานิปัสสุพุทธะธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะระตุทะทายะตระณะญานาญีนภรัตสีสาหาสุสังนะพุทโธธรมโมสังโฆยถาพุทโมนะ โอชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาณังวรังคันธังศิวริสมหาเหตังหาหวันธานิสุรโตอาหาวันธานิธาติโยอาหาวันธานิสัพพโสโอชาธรรมสังฆอิเช อ่าวแพร์กำหนดไปทั้งสามแดนโลกชาติกำหนดไปที่บิดามารดาและโมหะทั้งหลายผู้มีกุคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเรนเนีสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปเจกานัณจะยังพลงัง อาลาหันตานันจ่าเอเสนารักังอปะโสสาเจพุทธาสาเจธัมมะสาเจสังฆาอาลัสตาสาเจการันตยังพลังอาลาหันตานันจะาเอเสนารักัง สัจเจพุทธะสัจเจธรรมาสจเจสังฆะอาลัพสัจจาสัจเจคาณเจยามกะขัสตาลานสัจเจเจนะรักขัมปันธานิสัพพโสสัจเจพุทธะสัจเจธรรมาสจเจสังฆา ภาตาาเจกานันจะยังพลังอลหันกานันจะเทเสนารับถังปังธานิปัสสสาเพุทธาสาเจธรรมาสาเจสังฆาภาตาสาเจกานันจะยังพลัง อาลานาจนาจเอเสารับฐานปันญานิสสพตวพทธังอาธิฐานิธรรมังอาธิฐานิแสงังอาธิฐานิ อ่าอาทิฐานถ้าในฐานรวมกําลังจั ก, กระพัดที่เราสวดทุกวันเวลาสัปเทใชาให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระทีวนาพระเมนพระที่ทรงเครื่อง ม, มันเป็นรูปลักณของจั ก, กระพัดหรือพระอาหาร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 เทพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาภาระปตสสัจเจกานัน เต็แล้ววันวันนเะนี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทำและความคิดออท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้น โดยการรวมรวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอสนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกําลังรว ม, ลวมหลวงพ่อดูกันธมมะเป็นโยขอท่านรวมบุญกุศลบนบรารมีชิกข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานสีเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิทานเมตตาอุเบกขาและทัศภารณีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรม สปปสโสาเปโพธาสาเปธัมมะสาเปสังขาทาราปตาปะเจตานันเจยังวะรัอารหันตานันจะเเนารักขังนิสัปโส สัพเพกุตตสัพเพธรรมสัพเพสาอาปสปัจเจตานันจิยังวะระอารหันตานันจเตเสนารังนิสปัสส สัพเพพุทธะสัพเพธรรมะสัพเพสังฆะทาราัสสะสัพเจสามัญเชยวันวันทารามันสัพเพสนาาภัณฑ์นิสัพพโสพุทธังอาธิขาณี ธรรมังอทาทิธรรมิสามขังอาทิธรรมิ